จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสใไงก็บบบบบผู้ก็ทำก็สงฆ์ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านผู้ายมีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่นาง จึได้ตั้งใจมาวเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ธรรมมาปฏิบัติธรรมว่ามีศรัทธาควาเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมธรสอนของพระพุทธเจ้าในพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ เป็นที่พึ่งของพวกเราได้ท่านเป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นที่พึ่งที่จะป้องกันไม่ให้ทุกภัยอันตรายทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่าจิตใจของพวกเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาสร้างความวุ่นวาย ใจให้การพวกเราได้นอกจาก พ, พ, พระพระุทธพ่อธรรมพ่อสงฆ์เท่านั้นเพราะว่า พ, พ, พระพุทธพ่อธรรมพ่อสงฆ์เป็นผู้ที่สามารถทําให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดไปจากใจของท่านหลังจากที่ท่านทําได้สําเร็จแล้วท่านก็เอาวิธีการที่ท่านได้ปฏิบัติเอามาเผยแป่สั่งสอน ให้แก่พวกเราต่อไปพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราจะไม่รู้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ก่อนคำว่าตัดสรู้ก็คือทรงค้นพบวิธีการ ที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจหลังจากที่สองคนพบและได้กำจัดความทุกข์ต่างๆจนหมดสิ้นจากใจไปแล้วพะอก็ทรงนำเอาวิธีที่ได้สองคนพบนี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปพอมมีผู้ที่มีศรัทธาได้ยินได้ฟัง น้อมนำเอกไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้กลายเป็นพระอริยสงสาวุเป็นผู้ที่มาช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแปลวิธีการดับทุกข์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปพรกพุทธศาสนาจึงประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาตามใดที่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ตามนั้นพระพุทธศาสนาจะยังเป็นที่พึ่งของสัตว์นอกได้ต่อไปได้เป็นมาตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนแล้วก็มีพระอริยสงสารุญช่วยการสืบทอด มาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราจึงถือว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาพ้อมเหมือนกับคนไข้ที่ได้ไปพบหมอได้ไปพบยานั่นเองถ้าคนไข้ไม่พบหมอไม่พบยาโอกาสที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีก็ต้องปล่อยให้เป็นไป ตามบุญตามกรรมแต่ถ้าได้พบหมอพบยาก็จะได้มีผู้มารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปใจของพวกเราก็เป็นเหมือนร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันโรคภัยไข้เจ็บของพวกเราก็คือความทุกข์ใจความเครียดความวุ่นวายใจ ความหวาดวิตกกังวลความความชุ่ม้าดความเดือนเนื่อร้อนใจความไม่สบายไม่สบายใจนี่คือโรคของใจและไม่มีใครจะรักษาโรคของใจของเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นดังนั้นพวกเราจึงเป็นเหมือนคนไข้ที่ได้มาพบกับยา ได้พบกับหม อ, อยาของพวกเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือหมอของพวกเราก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายยาก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเราได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เท่ากับเราได้พบหมอหมอก็จะมอบยาให้เรามารักษาโรคใจของเรา ถ้าเร า, าเอาอยาที่พระพุทธเจ้า ส, สอนมาให้พวกเราเอามาใช้กับใจของเราใจของเราก็จะหมดหลุดพ้ น, นจากความทุกข์ต่างๆได้ยาที่พระพุทธเจ้าสรงมอบให้แก่พวกเรานั้นก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดเรียกชนิดแรกเรียกว่าฐาน ชนิดที่สองเรียกว่าเสียชนิดที่สาเรียกว่าภาวนาถ้าเราสามารถน้อมเอาอยาทั้งสามชนิดนี้มาใส่ใจของเราได้ใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ต่างๆไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะรักษาใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ ต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเงินทองก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้ต่อให้เป็นประธานาธิบดีเป็นมาหาจาั ก, กรพรรดิเป็นพย็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตา่างก็จะไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ของเราได้สิ่งที่เราจะดับความทุกข์ของเราได้ ก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเป้าหมายอยู่ที่การดับความทุกข์ใจเวลาเราเข้าหาพระพุทธศาสนาขอให้เราคำนึงถึงเป้าหมายอันนี้คือเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อให้เราได้ปีความร่ารวย ให้เราได้ประสบกับสิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันเช่อนอยากร่ำรวยอยากมีตำแหน่งอยากให้คนนั้นคนนี้รักเราชอบเราอยากจะมีลูกอยากจะเรียนหนังสือให้จบสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเราสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะน้อมให้กับเรา ก็คือการดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจดังนั้นเวลาเราทําบุญให้ทานรักษาศิงและภาวนาอย่าไปคิดว่าทําไปแล้วจะทําให้เราร่ํารวยจะทําให้เราได้ตําแหน่งสูงๆอันนี้ไม่ใช่ผลที่เราจะได้รับจากการทําทานจากการรักษาศิงจากการภาวนา แต่สิ่งที่เราจะได้รับก็คือความทุกข์ต่างๆจะค่อยๆหมดไปความทุกข์ที่มีอยู่ในใจจะค่อยๆหมดไปตามการกระทาของเราเช่นเราทําทานความทุกข์ของเราเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็จะมีน้อยลงไปคนที่ไม่ทําทานนี้จะมีความยึดติดกับเงินทอง จะมีความทุกข์กับเรื่องของเงินทองเวลาสูญเสียเงินทองไปนี้จะเศร้าโศกเสียใจแต่คนที่ทําทานอยู่ดเรื่อยเอาเงินทองของตนแบ่งให้ผู้อื่นไปใช้อยู่เรื่อยเวลาสูญเสียเงินทองไปจะไม่มีความทุกข์ใจกลับจะคิดว่าเป็นเหนือนกับการทําบุญให้ทาน แต่คนที่ไม่เคยทำนี้เวลาเสียไปเพียงเล็กน้อยก็โกรธแค้นโกดเคืองเสีย อ, อกเสียใจเสียดายเงินทองที่เสียไปคนที่ไม่ทำทานนี้ต่อให้มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็จะหาความสุขจากเงินทองไม่ได้กลับจะได้ความทุกข์จากเงินทองเพราะมีแล้วก็จะห่วง ไม่อยากให้ใครมาเอาไปแล้วก็ไม่กล้าใช้กลัวจะหมดแล้วเวลาที่จะต้องจายเงินทองไปก็จะจากไปด้วยความทุกข์ทรมานใจแต่คนที่เคยทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆเวลาจากเงินทองไปจะไม่มีความเสีย อ, อกเสียใจเวลามีเงินทองก็ไม่วิตกกังวล ว่าจะหมดไปหมดก็หมดไปเพราะถือว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปเงินทองต่างๆที่หามาได้นากน้อยถ้าเก็บเอาไวเ้เฉยๆก็จะไม่เป็นประโยชน์ตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอาเงินทองนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเอามาช่วยเหลือผู้่นให้ผู้อื่นเขามีความสุข ช่วยบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายให้กับเขาเราก็จะมีความสุขใจเราก็จะมีบุญมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจและเราก็จะมีเพื่อนการทำทานนี้เป็นการสร้างมิตรภาพผู้ที่ได้รับ ก, การช่วยเหลือจากเราเขาจะรักเราชอบเราและเวลาที่เราเดือดร้อน เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราถ้าเขาอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือเราได้ดังนั้นการทำบุญนี้การให้ทานนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสุขใจเป็นการชาระความโลภความตนันหีความยึดติดในเงินทองที่จะทำให้ใจนั้นมีความคับแคบมีความทุกข์ใจ มีความวิตกมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกลัวจะอดตายอดอยากขาดแคลน ท, ท, ทั้งๆที่การที่จะดูแลร่างกายเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินทองมากมายมีพอวันละร้อยสองร้อยนี่ก็อยู่ได้แล้วกินอาหารวันละมือ้อสองมื้อก็พอแล้วความทุกข์ใจนี้ ไม่ได้เกิดจากการไม่มีเงินทองความทุกข์ใจเกิดจากความยึดติดกับเงินทองความโลภอยากได้เงินทองความหวงในเงินทองไม่อยากจะจัดเงินทองไปไม่อยากจะสูญเสียเงินทองต่างหาแต่คนที่ไม่ยึดไม่ติดกับเงินทองไม่หวงเงินทองไม่โลภอยากได้เงินทอง กับจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินทองแต่หวงและยึดและโลภอยากได้เงินทองดังนั้นเงินทองนี้มีไว้สำหรับทำหน้าที่สองประการด้วยกันคือหน้าที่หนึ่งก็คือไว้เลี้ยงดูร่างกายของเราสองไว้สร้างความสุขให้กับใจของเราแต่ถ้าเรามีเงินทองแล้วเราไม่กล้าเอามาใช้ ทำประโยชน์ทั้งสองส่วนนี้เงินทองมีไว้ก็กลายเป็นพิษเป็นทุกข์กับจิตใจก็จะไม่อยากใช้เงินกลัวจะหมดแม้แต่เอามาเลี้ยงดูร่างกายก็ไม่กล้าเอามาใช้ใช้ก็แบบประหยัดจนกระทั่งอาจจะทำให้ร่างกายอดอยากขาดแคลนได้ไม่กล้าซื้ออาหารมาให้รับประทาน เสียดายเงินไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าซื้ อ, อยารักษาโรคมาให้กับร่างกายอยากจะมีเงินมากๆอยากจะให้มันไม่ให้มันน้อยลงไปแทนที่จะมีความสุขทางร่างกายกับจิตใจก็ไม่มีทางจิตใจก็หวงไม่อยากจะให้ใครไม่ไม่เอาไปทำบุญให้ทางใจก็เลยมีแต่ ความทุกข์กับการเฝ้ารักษาเงินทองและความวิตกกังวลที่จะต้องจากเงินทองไปในที่สุดแต่ถ้าเราเอาเงินทองมาเลี้ยงดูร่างกายร่างกายของเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายแล้วเราก็เอาเงินทองมาเลี้ยงจิตใจด้วยการเอามาทำบุญเอามาแบกปันให้แก่ผู้ที่เขา ตกทุกข์ได้ยากให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนเวลาช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขเราก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วเวลาที่เราจากโลกนี้เราก็จะไปอย่างมีความสุขเราจะไม่ทุกข์กับการพัดพาจากเงินทองไปเพราะเราคิดว่าเงินที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นการทำบุญทำทานให้แก่ผู้อื่นนี่คือ การใช้เงินใช้ทองให้เป็นประโยชน์กับร่างกายและจิตใจของเราและใช้เงินนี้มาดับความทุกข์ของร่างกายที่เกิดจากการอดอยากขาดแคลนปัจจัยสี่แล้วก็ใช้เงินนี้มาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความโลภเกิดจากความหวงเกิดจากความตเนีได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ทำทานแล้วใจของเราก็จะเย็นจะสงบจะสบายแล้วก็จะทำให้เรารักษาศีลได้คนที่ทำบุญให้ทานนี้จะมีความเมตตาจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่อยากให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนจากการกระทําของตนดังนั้นจึงไม่อยากจะฆ่าสัตว์ไม่อยากจะรักทรัพย์ ไม่อยากจะประพฤติผิดประเวณีไม่อยากจะโกหกหลอกลวงไม่อยากจะเสพสุรายาเงาเพราะรู้ว่าการกระทำเหล่านี้จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองผู้ที่เป็นมีใจบุญสนทานเป็นผู้มีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจึงทำให้สามารถรักษาสี ได้อย่างสบายได้อย่างง่ายดายคนที่ยังไม่สามารถรักษาศินได้ก็เพราะว่าใจยังมียังไม่มีความเมตตายังหวงสมบัติเข้าของเงินทองยังไม่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นยังอยากจะเก็บเงินทองเอาไว้ให้มีไว้มากๆเราอยากจะหาเงินทองให้ได้มากๆขึ้นไปอีก ก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี้เป็นอุปสรรคต่อการที่จะหาเงินทองมาแต่คนที่ทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วจะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี้เป็นสิ่งที่ทําได้อย่างง่ายดายเพราะใจะไม่มีความปรารถนาที่อยากจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่มีศีลก็จะมีใจที่สงบเย็นสบายดับความทุกข์ ที่เกิดจากการไปทำบาปได้เวลาทำบาปแล้วใจจะทุกข์ใจจะหวาดกลัวกับผลของการกระทำบาปที่จะตามมาเช่นไปลักขโมยก็กลัวว่าจะถูกเขาจับได้จะถูกจับไปลงโทษถ้าไปประพฤติผิดประเวณีก็กลัวจะถูกคู่ครองของตนจับได้กลัวว่าจะ เกิดปัญหาขึ้นมากับคู่ครองของตนแต่ถ้าไม่ไปแต่ถ้าไม่ไปประพฤติติดประเวณีก็จะไม่มีความวิตกกังวลถ้าไม่ไปลักทรัพย์ก็จะไม่มีความวิตกถ้าไม่ไปโกโหกหลอกลวงก็จะไม่มีความวิตกกังวลใจจะสงบเย็นสบายมีความสุขไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาป แล้วก็จะทำให้ใจของเราสามารถที่จะซะททำความสงบให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้ดับความทุกข์ให้ได้มากไปกว่านี้ีเพราะความทุกข์นั้นนอกจากความทุกข์ที่เกิดจากการหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปแล้วก็ยังมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆ ความคิดไปในทางความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธความทุกข์ที่เกิดจากความหลงเราจะดับความทุกข์เหล่านี้ได้ก็ต้องใช้การภาวนาการภาวนานี้ก็คือการมาดับความทุกข์ทงความโลภความโกรธความหลงทางความอยากต่างๆ ถ้ามีความโลภมีความโกรธความหลงขึ้นมาเมื่อไหรก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อนั้นเช่นตอนนี้ถ้าเราโลภอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะไม่สามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้เช่นอยากจะสูบบุหรี่หรืออยากจะออกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะรู้สึกนั่งตรงนี้แล้วจะหงุดหงิดลาคาญใจอยากจะให้ เสร็จเร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำสิ่งที่อยากจะทำแต่ถ้าเราไม่มีความอยากจะไปทำอะไรเราน้ามอยู่ตรงนี้เราก็ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไปได้อย่างสบายไม่มีความทุกข์ใจความอยากต่างๆนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและความอยากนี้ก็เกิดจากความคิดต่างๆพอเราคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ ก็จะเกิดความอยากตางมาดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้มีความอยากไม่อยากให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเราก็ต้องควบคุมความคิดให้ได้เราต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนพอเราหยุดความคิดได้แล้วความทุกข์ความอยากต่างๆก็จะหยุดไปแล้วพอเราหยุดความคิดได้แล้วต่อไปเราก็สามารถ สั่งให้คิดในเรื่องที่ทำให้ไม่ให้เกิดความทุกข์ได้เช่นให้คิดในเรื่องทาบุญให้ทา้คิดในเรื่องการเสียสละการปล่อยวางถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆเราก็จะไม่มีความทุกข์ดังนั้นเราต้องมาหัดควบคุมความคิดของเราด้วยการทำภาวนา ขั้นต้นก็หยุดความคิดก่อนเรียกว่าสัมมาทัปพาวนาใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราไม่รู้จักหยุดรถยนต์เวลาไปถึงสี่แยกไฟแดงเราต้องหยุดด้เราก็จะหยุดไม่ได้พอเราหยุดไม่ได้รถของเราก็จะต้องวิ่งไปชนกับรถคันอื่นฉันใดถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เราก็จะหยุดความอยากหยุดความโลภหยุดความโกรธไม่ได้ พอ เ, เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเราก็จะไปมีปัญหากับผู้อื่นเราก็จะมีทะเลาะบอกแววงหรือเราจะไปทำบาปเช่นไปประพฤติผิดโอแอนีไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงแล้วเราก็จะมีปัญหากับผู้อื่นทันทีเกิดความทุกข์ทั้งภายในและภายนอกทุกภายนอกก็คือปัญหากับคนนั้นคนนี้ทุกภายในก็คือ ใจวุ่นวายใจไม่สงบแต่ถ้าเราสามารถหยุดความคิดของเราได้เวลาเกิดความอยากเราก็จะหยุดความอยากได้เวลาเกิดความโลภเราก็หยุดได้เวลาเกิดความโกรธเราก็จะหยุดได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะหัดหยุดใจของเราให้ได้หยุดความคิดของเราให้ได้ ด้วยการใช้อุบายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ก็คือให้บริกรรพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าเราบริการพุทโธพุทโธไปใจของเราก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่โลภไม่อยากกับสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้พอไม่มีความโลภใจก็จะเย็นใจจะสบายเหมือนตอนนี้ ใจของเราเย็นสบายเพราะเราไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะนี้ก็จะช่วยหยุดความคิดของเราได้ถ้าเราฟังด้วยสติก็คือใจจดจ่ออยู่กับเสียงที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วก็คิดตามไปตามเหตุตามผลที่แสดงไป ใจของเราก็จะคิดอยู่กับเรื่องของธรรมมใจก็จะไม่มีโอกาสไปคิดถึงเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะไม่มีความอยากไม่มีความโล่งการฟังธรรมนี้ก็เป็นวิธีหยุดความคิดของเราได้ในระดับหนึ่งถ้าเรายังไม่สามารถใช้พุทโธพุทโธหยุดความคิดของเราได้เราก็ใช้การฟังธรรมไปก่อนก็ได้ นั่งฟังทำไปเรื่อยๆจนใจเย็นใจสบายแล้วเราค่อยมาใช้พุทโธต่อไปต่อไปเราก็จะสามารถหยุดความคิดของเราได้หยุดความอยากของเราได้เวลาเกิดความอยากเราก็หยุดมันได้ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะหยุดความทุกข์ได้ความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากอยู่ที่ความโลภอยู่ที่ความเกรด อยู่ที่ความหลงเราต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากให้ได้ด้วยการภาวนาด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปแต่การหยุดความโลภความอยากด้วยพุทธโธนี้จะหยุดได้เพียงชั่วคราวเวลาเราพุทธโธมันก็ไม่โลภไม่อยากพอเราหยุดพุทธโธไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมา ถ้าเราอยากจะกำจัดความอยากให้หมดไปอย่างถาววรเราก็ต้องใช้ปัญญาเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเรามันจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเพราะมันจะทำให้เราอยากได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรเช่นเราอยากจะดื่มกาแฟ พะเรามีความสุขกับการดื่มกาแฟแต่พอเราเดื่มหมดไปแล้วเราก็อยากจะดื่มขึ้นอีกเราก็ต้องหากาแฟมาดื่มจนเรื่อยๆหามาดื่มกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ยังไม่อิ่มไม่พออย่นั้นใจของเราก็ยังอยากจะดื่มกาแฟไปเรื่อยถ้าเราอยากจะหยุดความอยากดื่มกาแฟเราก็ต้องไม่ดื่มกาแฟเท่านั้นเอง ทุกครั้งที่เกิดความอยากแล้วเราสอนใจว่าอย่าไปดื่มดื่มแล้วจะติดจะไม่มีวันหยุดได้แต่ถ้าอยากจะหยุดอยากจะดับความอยากดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากดื่มกาแฟก็ขอให้เราอย่าไปดื่มทุกครั้งที่อยากก็อย่าไปดื่มให้ใช้พุทโธมาช่วยแทนท่องพุทโธพุทโธไปพอความอยากดื่มหายไปเราก็ไม่ต้องดื่ม ทำนี้ไปต่อไปความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นมาพอรู้ว่าเกิดขึ้นมาก็จะไม่ได้ดื่มอยู่แล้นี่คือวิธีเลิกสิ่งเสพติดต่างๆเลิกบุหรี่เลิกสุราเลิกกาแฟเลิกยาเสพติดก็อยู่ที่อย่าไปอยากอย่าไปทําตามความอยากเท่านั้นเองพอว่าไม่ทําตามความอยากแล้วต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปเหมือนคนที่ไม่ดื่มกาแฟเขาไม่มีความอยากจะดื่ม คนที่ไม่ดื่มโซราเขาไม่มีความอยากจะดื่มเพราะเขาไม่ทำตามความอยากความอยากเลยไม่มีโผล่ขึ้นมานี่คือการดับความทุกข์อย่างท้าวอการหยุดความอยากอย่างท้อวอต้องหยุดด้วยการใช้ปัญญาว่าการกระทำตามความอยากนี้ไม่เป็นการยุติความอยากมีแต่ต่ออายุความอยากให้มีไปยาวขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วถ้ามีความอยากยาวขึ้นไปก็จะมีความทุกข์ยาวตามมาดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์จากความอยากเราก็ต้องไม่ทำความอยากนี่คือวิธีดับความทุกข์อย่างถาวรที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ดับกันมาแล้วแล้วได้นำมามาสั่งสอนให้แก่พวกเราต่อไปถ้าพวกเรานำมามาปฏิบัติตามได้สัปวันหนึ่ง เราก็จะไม่มีความทุกข์โหยเหื อ, อยู่ภายในใจจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนาเพื่อหยุดความอยากดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิณิพิจออารณาและปฏิบัติ เพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลวัฒนาไพรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพลิงกันในวันนี้จงเป็นเองเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่วามสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนาสุการภาลาโดยทัว่วหน้าตานเธอ